เพื่อเป็นการสักการะอบรมศาลิกธาตุ รู้จักพี่ชอบชั่วดีรู้จัก เรเราก็จะได้รู้ขึ้นมาก็จะได้รู้ขึ้นมาอื่นคน <c oughs> มีความเห็นผิดนั้นเราก็จะทําความเห็น ย่อมจะมีจิตมีความไม่สบายอกไม่สบายใจผ่องใสเพราะธรรมะ เหมือนน้ำที่เข้าไปชำระของโสโครกออก ในขณะที่กายของเราไม่สะอาดขณะที่กายๆเนี่ย กายของเราเบามีความสุขมีความสบายจิตใจก็เหมือนกันมีความๆมากมายเหมือนกับเราใช้กายของเราประกอบการงานตลอดทั้งวันเรา ใจเราก็เหมือนกันเราก็ใช้ๆๆนั้นๆบางครั้งก็เกิดบ้าง นานารมเหล่านี้ก็จะทําให้ใจเปรื้อนใจ อ่าธรรมะนี้ก็จะเข้าไปชำระ รู้จักเหตุรู้จักผลจักเขตรู้จักผลอ่ารู้ คุยกันๆอ่าคุยกันไปเดี๋ยวๆไปมากมาย ว่ารักคนนู้นเกลียดชังคนเนี่ยธรรมะมันจะกําจัดอารมณ์ เกิดความคิดที่ถูกต้องคิดที่ดีความคิดที่ถูกต้องหัว บุญนี้เป็นเป็นมี มีเสียงเพระาะหน้าปังก็ก็ต้องได้ด้วยบุญเกิดขึ้น หรือก็ต้องอาศัยบุญนิธิคือต้องอาศัยบุญส่งผลให้หรือว่าคนจะได้คนเราจะได้บรรลุวิชาสามในเทวโลกหลัวพรหมโลก 3 3 3 6 สมบัติ 8 จะได้บรรลุเป็นสาวกบารมีญาณ ตัดไว้ว่าตัดไว้เพราะบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออย่าได้กลัว น้ำปะปะเรจ๋าจึงบ่อยๆเราๆเราๆ3 บุญบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาขึ้นจากการถ้าบุญที่มาในบุญกริยาวัตถุสิบศีลคือบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาแล้วก็จะมีบุญเกิดขึ้นจากการประพฤติขึ้น <c oughs> <c oughs> บุญเกิดขึ้นจากการผลขวย แล้วก็บุญเกิดขึ้นจากการทํา เราให้เลยมีความสุขแล้วมันก็จะมีวิบากของความสุขจิตใจที่ มั่งอันนี้ก็เรียกว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานคือความสุขรวยความสุขมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นเราสังเกตดูเวลาที่เราได้ให้ของแก่ผู้อื่น เราเอาได้ช่วยเหลือคนอื่นจิตใจ ถ้าเราอยากได้เนี่ยเรามีความทุกข์ถ้าเราอยากให้เนี่ยมี ความเคารพนับถือผู้ให้ๆคนๆเราก็จะ ย่อมเป็นที่รักหรือว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรเอาไว้ได้ที่เขาก็จะรักเราหรือว่าเราก็จะมีมิตรมากขึ้นให้สามารถที่จะทำให้เรามีมิตรหรือว่ามีพวกพร้อมบริวารมากมาย อ่าเราไม่มีมิตรไม่มีสหายให้ใครเลยเนี่ย คือเราให้คนเดียวแต่ไม่ได้ชักชวนคน แล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ทานด้วยบุคคลผู้นั้นชักสมบัติ แล้วได้ทั้งพวกพ้องบริวารในนะ หรือไม่ได้ให้ทานด้วยตนเองบุคคลในโลกนี้อ่า มีอ่าบริวารสมบัติแต่ว่าขาดสมบัติ ผู้อื่นมาให้ทานมาให้ทานคือตนเองไม่ได้ และบริวารสมบัติบริวารสมบัติในสถานที่ตนตน คือบุคคลที่คือบุคคลบุคคลอีกประเภทหนึ่งมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่มี ไม่มีทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีทั้งพวกพ้องทุกข์ได้ ต้องเห็นใจต้องคนสมบัติด้วย ก็แต่จะไม่ได้ให้ด้วยตนเองได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติแต่ไม่ได้ นั้นการให้ทานนั้นเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ ก็อยากที่จะมีทรัพย์สมบัติด้วยกันทั้งนั้น แต่ต้องการพวกพร้องมากๆเนี่ยเราก็ต้องชักชวนคนอื่น แต่ไม่มีพวกพ้องไม่มีพวกพ้องบางคนก็ชอบ ฉะนั้นบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ ถ้าเราทำผิดศีลนี่มันเดือด แม้ว่าเราละเมิดศีลข้อไหนล้วนแต่เป็น แต่เมื่อเราต้องการความสุขเนี่ย การทำลายชีวิตแต่เราหยิบยื่นอื่นไปนินทา นอกจากสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยไปตอบ ผู้ด่าจึงได้รับการด่าตอบอ่าไม่อยาก ให้ใครมาทำให้ชีวิตเราเดือดร้อนใครมาทําให้ชีวิตเราเดือดร้อน นั่นคือทุกคนรักตัวเองอย่าให้ตัวเองมีความสุขความสบายทําผิดศีลก็เหมือนกับ เขาก็หยิบยื่นก็หยิบยื่นอันนั้นเขาก็เอากลับสัตว์ เราเหล่าบันดาลชีวิตผู้อื่นนะที่ว่า <c oughs> วิบากของมันทําบางคนก็มีอายุยืนบางคนเกิดมาไม่กี่วันเราเกิดมาภายหลังเราแต่ว่ามาเนี่ย คือการบั่นทอนชีวิตผู้อื่นหรือว่า ทางร่างกายหรือว่ามีๆอืออันนี้ กรรมอะไรก็ป้องกันมันไม่ได้ของมันมาส่ง 3 ประพฤตินอก หรือว่าคนในปกครองของเรา อ่าร่างเกิดมาเอ่อ จะต้องได้ยินได้ฟังได้ไอ้คําด่าคําว่าคําเสียด เราจะต้องได้ยินได้ฟังคําเหล่านี้เร เขาก็โกหกหลอกลวงเราให้ รับโทษของมันโทษของมันหลีกตลอดเวลาหรือว่าถ้าเราพ้น 5 สุรา เสื่อมจริตผิดจากมนุษย์ธรรมดาเกิดมาเป็นคนมีปัญญา พูดจาอะไรก็ฟังไม่ก็รู้เรื่องสติมันเลอะ อําได้เหมือนกับอย่างคนบ้านั้นวิบาก เราอยากให้ชีวิตเรามีความสุขอยากให้ชีวิตเรามีความสุขเราก็ได้สิ่งนั้นก็ว่าเร เป็นกฎของกรรมที่ว่าทําดีได้ อ่าเป็นใบใส่ร้ายอ่าพระ ถึงแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังต้องรับวิบากของมันอ่า อ่าไปฆ่าพมโกลนะด้วยพวกเดรัจฉีทั้งหลายจ้าง เมื่อพิจารณาแล้วก็ท่านก็เลยไม่หนีว่าเป็นวิบาก นั่นก็เป็นวิบากของกรรมที่ก็ อ่ากระรอกฤทธิ์เดชเวทมนต์คาถามันป้องกันแรง อ่าจะมีเงินทองกองไม่มีอะไรที่จะต้านมันได้ จะมีเวทมนต์คาถาฤทธิ์เดชอะไรต้าน เพราะฐานทําให้เราเกิดมามั่งมี เรเรามีทรัพย์แล้วไปไหนถึงเบียดเบียน หลวงไปไหนก็มีแต่คนก็โกหก นะมีคนลักคนนั้นถ้าเราจะต้องการมีความสุขเราต้องมีสินต้องมีสินใจ มันทําให้ชีวิตเราอยู่อย่างไม่มีเวรไม่คือเต่า อ่าถ้าเราเราเมิศแล้วเนี่ยที่เราชอบลักขโมยชอบ นั้นถ้าเออถ้าเรามีสมบูรณ์เราก็จะมีอายุยืน คนที่เป็นบริวารพวกพ้องเราก็เชื่อถือใต้คําเรา อ่ะไม่มีคนมาโหกหลอกลวงด่าว่านั้น เมื่อเราภาวนา เพียรเพียนพยายามไม่ให้บาปที่ยังไม่เกิดขึ้นเพียรคือ คือทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้มันปัญญาอ่าปัญญาคือ ที่ชอบชั่วดีได้โทษความ สุขทั้งหลายก็เสื่อมไปถ้าเรา คนเราจะเสื่อมทรัพย์เอ่อเสื่อมยศเสื่อม ความเจริญเหล่านั้นไม่เทียบแล้วเอา เอายศที่ มีญาติมากแล้วถ้าเราเนี่ย <c oughs> ฉะนั้นคนที่มีปัญญาต้องวิ่งไปหาคนที่มีปัญญาเอาทรัพย์จริงประเสริฐ หือมันครับเวลาที่เรามีความทุกข์ต้องขึ้นลง นั้นปัญญาจึงได้ชื่อว่าประเสริฐกว่าทรัพย์อืม ถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยแสวงหาทรัพย์ <c oughs> อ่ามีปัญญาแล้วสามารถทําให้ชีวิตเราข้าม ด้วยความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้น ยศธรรมนาศักเรานั้นมากําจัดความโกรธ เจริญด้วยญาติจึงสู่ความเจริญด้วยปัญญาไม่ได้ นั้นปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรปัญญาจะเกิดขึ้นได้ด้วยการฟังธรรมเกิดขึ้นนะได้อย่างไร อ่าปามาเราก็ว่าถ้าเราไปคบกับคนที่มีปัญญาเค้าก็ <k ri ori> อ่าคนที่มีปัญญาก็ถ่ายเช่นไรก็ย่อมเป็น เขาก็ถ่ายทอดความเป็นนักเร่งหัวไม้ อ่าไปคบกับบุคคลเช่นเพราะ มาสู่เราสู่เราอ่าเราก็จะ แต่เมื่อเรานําใบห่อปลาเน่าปลาเน่ามันก็ <c oughs> พวกรักขโมยพวกปล้นพวกจี้เพราะกลิ่นทางที่เราไม่ แต่เมื่อเรานําไปห่อปลาเน่ากลิ่น กลิ่นหอมมันก็เปื้อนไปไหมการเข้าไป นั้นการที่เราจะทําให้ คือเป็นหนทางหนทางที่จะนําพา ละความชั่วทำความดีทำใจให้ ความดีน่ะที่เช่นเราทํา <c oughs> อ่าทําให้ยิ่งขึ้นไปก็ได้ว่า <c oughs> เอ่อเราว่าอย่าไปกลัวมันนะนั้นเราคือ เช่นจิตของเราตกคือภูมิ เพราะตอนที่เรามีความโกรธเนี่ย เพราะจิตน้อมไปสู่สวรรค์สู่นิพพานเหมือนพระอริยเจ้าจิต วนเวียนอยู่ในอารมณ์วันนี้ก็เวลาก็พอสมควรนี้แล้วเป็นนั้น นานุบายมา 3 ก่อน คือเรารวมบารมีของเราทั้งหมด อธิษฐานบารมีก็เรียกได้ จะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านี้ต้องอธิษฐานมรมีขอบุญนะที่ได้ อ่าถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายทําอะไรแล้วมันมีจุดมุ่งคือ อ่าที่ว่าเราตัณหาความอยากนะมาฟังธรรมกันไม่ได้เราต้อง <c oughs> ความเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันสำเร็จแล้วมันหมดความอยากมาแล้วเพราะสิ่งที่เราอยากมันได้มันได้แล้วเราถึงมันแล้วนั้นความอยากดีนี่ไม่เป็นไรที่เราอยากมันสําเร็จ ถ้าเรายังบรรลุมรรคผลนิพพานตราบ เหมือนไปนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานเราก็ต้องอยาก เราต้องอยากมานี้เมื่อเรามาถึงวัดแล้วเนี่ยความอยากมาวัดมันไม่มีแล้วเพราะสิ่งที่เราอยากมันนี้เมื่อเรามาถึงวัดแล้ว เพราะอะไรอะไรเพราะมันไม่มีสุขใดๆอืมเพ ตัณหาถ้าความอยากชั่วเราเข้าใจความอยากดีไม่เป็นไรแต่ความอยากชั่วอ่าอย่าชั่วอย่าไปฆ่าอ่าอ่า อ่ารวมบารมีมามาตั้งอยู่ที่ ชาติอะไร